ขออบน้อมสักคุณพระรัตนตรัยโราอการหลมพ่ ก, กลมเพื่อนสถาณิกทุกท่านจเจริญธรรมไม่ชียรเยยาติธรรมทุกท่านสำหรับการปฏิบัติธรรมเก็บบรมเข้ม40วันเนาะก็เหมือนกับเป็นประเภทในอย่างหนึ่งที่ในสายงานหลวงพระเทียนที่ทำต่อๆกันมาเนาะจริงๆแล้วก็ เมื่อก่อนก็วัดอื่นเป็นผู้ทำนะตอนหลังก็ค่อยหยุดไปนะก็ที่หลวงพ่งอคำเขียนก็เริ่มมาทำที่นี่ต่อนะก็ไม่าจะผ่านมาหลา ย, ลายปีแล้วนะแต่ก็ไม่ได้นานมากการปฏิบัติธรรมเข้มนั้นนะเป็นการปฏิบัติให้ต่อเนื่องกันนะเพราะว่าการจารูส้สติก็ต้องมีความต่อเนื่องกันพอสมควร ที่ตามรู้กายตามรู้ใจเนะแล้วก็นะก็ไม่ไม่มีการทำกิจวัตรอย่างอื่นนะเช่นนะอย่างพระก็ไม่ไม่มีการไปบินธบากนะแล้วกนะ็การทำวัดเช้าวเย็นก็ไม่มีนะแต่ในช่วงแรกอาจจะมีก่อนนะแล้วก็อาจจะมีการสมัยก่อนที่หลวงพ่อคำเขียนอยู่ท่านก็จะมาแสดงทำให้ให้ฟังเป็นบางครั้งในช่วงแร ก, แรก นะแต่พอตอนหลังท่านก็ไม่อยู่กนะ็มีการเปิดซีดนะี CD ของท่านนะแล้วก็นะมีการนะคล้ายๆว่ า, บ า, บ, าบางครั้งท่านก็จะม า, นะมาร่วมนะในการแสดงธรรมบ้างแล้วก็บางครั้งก็หยุดไปนะแต่ก็ยังมีการนะในการฟังธรรมของท่านอยู่บ่อยๆนะเพื่อเป็นแนวทางในการอบรมนะเพราะฉะนั้นนะถ้าเราเข้าใจในตรงนี้ในระยะแรกเราก็ หลังนั้นก็ไม่ต้องฟังทำอะไรก็ตั้งหน้าต่งตางๆปฏิบัติอย่างเดียวให้ต่อเนื่องกันแต่การที่เราจะบัดทำให้ให้ถูกต้องนั้นก็หลายๆอย่างก็ต้องเข้าใจในวิธีการของลุงมาเทียนนะการมาทำของหลวงพเทีนั้นท่านก็จะไม่ไม่ได้เน้นที่ความสงบนะถ้าให้เน้นที่ความรู้สึกตัวเป็นหลักนะโดยอาศัยการเคลื่อนไหวนี่แหละเป็นเครื่องรู้นะเพราะ อย่างที่ว่าแล้วว่าถ้าคนเรา อ, อยู่นิ่งๆ น, นะก็จะเกิดสภาวะสองอย่างก็คือประการแรกเมื่ออยู่นิ่งๆแล้วใจก็เริ่มทํางานนะก็คือเมื่อกายหยุดนิ่งปุ๊บเนี่ยใจจะเริ่มทํางานต่อก็คือไปคิดนูน่นคิดนี่ไปเรื่อยๆนะอันนั้นก็กลายเป็นความฟุง้งซ่านไปนะหรือไม่พออยู่นิ่งๆแล้วก็เลยทําให้จิตสงบไปเลยนะ น, นี่นก็ทําให้จิตสงบไปนะก็ใจ ไม่ได้ตามรู้กายรู้ใจอนะีกเพราะนั้นท่านก็นเลยไม่ให้เราอยู่นิ่งก็คือให้เรามีการเคลื่อนไหวอยู่เรื่อยๆในการที่เราจะตามรู้กายการที่เมื่อเรามีการเคลื่อนไหวไปนะมันก็กลายเป็นว่าเราเนะี่ยรับรู้การเคลื่อนไหวไหมต ร, ตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะเพราะว่าการเคลื่อนไหวก็เป็นการเคลื่อนไหวโดยความเคยชินก็มีเนะช่นเรา อาจจะเคยทำอะไรก็แล้วแต่นะกวาดบ้านถูบ้านแป่งฟันเดินไปเดินมาต่างๆเ่านี่มันส่วนใหญ่จะกลายเป็นความเคยชินเป็นหลักเพราะเราเราทำมาจนมีความชํานาญเป็นอัตุนอมอัตุนัดแล้วอันนี้ก็ไม่ต้องอาศัยความตั้งใจไม่ต้องอาศัยเจตนาในการทำสิ่งเหล่านั้นนะเช่นเรากวาดบ้านเราก็ทำด้วยความเคยชินไม่มีเจตนาในการกวาดบ้านจริงๆนะแต่ก็กวาดไปเรื่อยๆแล้วก็ก็คิดไป สิ่งใดที่ไม่มีเจตนาในการทํามันจะนกลายเป็นความเคยชินนั้นก็กลายเป็นความหลงไปนะโดยเพราะความคิดที่เราไหลเข้าไปในความคิดต่างๆถ้าเราไม่รู้ทันความคิดเหล่านั้นก็คือไหลเข้าไปในความคิดต่างๆนั้นก็เป็นความหลงไปอีกนะเพราะฉะนั้นในตอนแรกทั้งก็ให้เรากลับมารู้การขึ้นไหวให้ได้ก่อนนะก็คืออใสยตรงเนี้ก็คืออย่าอยู่นิ่ง แล้วก็มีการเคลื่อนไหวอย่างไรก็แล้วแต่นะจริงๆแล้วในชีวิตประจำวันเราก็เคลื่อนไหวอยู่แล้วใช่นมาการอาบน้ำซักผ้าแปรงฟันล้างหน้าแต่งตัวทานอาหารเดินไปเดินมานี่เป็นการเคลื่อนไหวอยู่แล้วเราก็ตามรู้ในสิ่งเหล่านี้ไปตามความเป็นจริงนะรู้ไปอาศัยกายเคลื่อนไหวใจวรับรู้กายอยู่ไหนใจอยู่นั่นดูกายเห็นจิตดูคิดเห็นธรรม ไปเรื่อยๆในสิ่งเหล่านี้นะก็อาศัยการเคลื่อนไหวนี่แหละแล้วก็กลายเป็นสิ่งเหล่านี้ให้เป็นวิหารธรรมเราอ่ในประจําวันไปก่อนครา้นี้ถ้าเราอ่าเราก็อาศัยในรูปแบบเพื่อให้มีการรู้ต่อเนื่องกันนะเพราะนอกจากที่ในชีวิตประจำวันเรานนั้ตรงนั้นแล้วเป็นสิ่งที่ว่าเราเราทําได้อยู่เรื่อยๆก็จริงแต่ว่ามันก็ต้องหยุดนะมันมันไม่ไม่ได้ต่อเนื่องจริงๆ เช่นเราอแปลงฟันห้านาทีก็เสร็จแล้วะไปซักผ้าอีกซักยี่สิบสิบนาทีก็ก็เสร็จแล้วทานอาหารสักครึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้วใช่ไหมมันมันก็กลายเป็นไม่ต่อเนื่องเพราเราทําเสร็จแล้วเราก็เป็นอาจจะไม่รู้ว่าจะทําอะไรต่ออก็เลยถ้านให้มีหลักประจําวันในการทําก็คือเมื่อเราเสร็จจากกิจวัตรแล้วก็ให้มานั่งสร้างอย่างบ้านนี่แหละจะได้ทําได้ต่อเนื่องกัน เพื่อให้ต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานานพอคุ้นนะโดยเพราะการเก็บรมเข้มนี้เราก็ต้องทําในจังหวะสิจังหวะให้มากๆเพนะื่อที่จะได้สังเกตในตรงนี้ในการเคลื่อนไหวใจรับรูนะ้ในการที่มีเจตนาในการเคลื่อนต่างๆนะเพราะการเคลื่อนนี้จะต้องอาศัยเจตนาด้วยนะมันมันจะได้เมื่อมีเจตนาในการเคลื่อนแล้วใจก็จะรับรู้ได้เองนะแต่ถ้าเราเคลื่อนโดยไม่มีเจตนาก็กลายเป็นว่าทํำโดย ควาเคยชินเป็นอัตโนมัติไปนะเมื่อมีเจตนาในการเคลือ่อนแล้วเนี่ยใจก็จะเริ่มรับรู้ได้เองเพนะราะฉะนั้นมันต้องมีเจตนาด้วยแต่ว่าเจตนานี้เราก็ไม่ได้ไปเพงเอานะเป็นการเจตนาในการทํานูน่นทํำนี่ต่างๆไปนะก็คืออาศัยเจตนาในการที่ว่าเมื่อมีเจตนาแล้วใจก็เริ่มไปรับรู้ในตรงนั้นนะเราก็อาศัยการนะอ่เคลื่อนจังหวะสิบสี่จังหวะนี้เป็นตัวรู้ไปนะ ซึ่งหลวงมาเทียนก็ให้ทำสิบี่จังหวัดนี้เป็นตัวหลักนะโดยวิธีการลงมาเทียนเนาะหลังนั้นก็ถ้าเราต้องการเปลี่ยนบทก็คือการมาเดินจงกรมนะแต่ว่าการเดินจงกรมนั้นโดยเฉพาะพวกเราจะถนัดเป็นพิเศษนะเพราะฉะนั้นใครที่ตั้งใจจะทําอย่างใดอย่างหนึ่งทํานานๆก็ทําได้นะไม่เป็นไรเพียงแต่เราทําแล้วให้รู้สึกตัวไปเรื่อยๆก็ใช้ได้ การเดินยงกลมก็คือตามหลักก็คือเดินให้รู้ว่าเดินนะครานี้รู้อย่างไรก็คือรู้ตัวทุพร้อมนั่นเองรู้ตัวทุพร้อมก็คือไม่ใช่ว่าเราตั้งใจรู้ทีเดียวมาทั้งตัวแต่ก็เป็นการรู้ตรงไหนที่ชัดเจนก็รู้ไปตรงนั้นนะอาศัยบางทีเราเท้ากระทบพื้นบ้างก็รู้นะหรือการก้าวเดินก็รู้การตัวโครงไปโครงมาก็รู้การกลับตัวต่างๆก็รู้ไปตามความเป็นจริงโดยที่ไม่ไปเพ่ง ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายแต่ให้เขารับรู้ไปตามความเป็นจริงที่ในแต่ละขณะที่เกิดขึ้นเป็นการรู้ในภาพรวมนะไม่ใช่เป็นไ ป, ไปเพ่งในจุดใดจุดหนึ่งเป็นการรู้กว้างๆรู้ในภาพรวมรู้ตรงไหนก็รู้ตรงนั้นนั่นแหละก็คือเป็นการกลับมารู้การการที่เราเดินก็แล้วกันนั้นะก็เดินก็เดินมาสบายๆไม่ไปเพ่งไม่จ้องเดินตามธรรมชาติของเรานั่นแหละไม่ได้เดินชา้ชาๆ หรือเดินเร็วๆธรรมชาติเราเดินอย่างไรก็เดินเช่นนั้นเพียงแต่เราเพิ่มการรับรู้การเคลื่อนไหวเป็นการที่เรียกว่าเรากลับมารู้ในขณะที่เราทำอะไรตามความเป็นจริงนั่นเองนะอย่างที่ว่าเดินก็รู้ว่าเดินนั่นแหละก็คือรู้ไปตามที่เราความเป็นจริงอย่างไรแต่ถ้าเราไปตั้งใจเดินที่ผิดธรรมชาติเราก็จะรู้สึกว่ามันมันขัดขืนแลมันก็จะเกิดความเมื่อยเกิดความตึงกับการเครียดตามมา เราก็รู้สึกว่าเราก็จริงๆก็เดินได้ไม่นานเนาะถ้าเราเราเดินจงกรมเป็นแล้วมันก็มีความสบายทําเดินมาสบายๆหน่อยแล้วก็ไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆนก็คือถ้าเราเดินจงกรมเป็นแล้วจริงๆแล้วเดินไปที่ไหนก็ได้นะภาคก็ไปบินทบาทก็เป็นการเดินจงกรมไปทั้งหมดหรือเดินไปทํางานที่ไหนเดินไปห้องน้ําเดินไป ตลาดไปที่ไหนก็แล้วแต่ก็เป็นการเดินอย่างกลมไปทั้งนั้นนะไม่นกลายเป็นว่าเราก็เอาตัวนี้มาใช้ปรับเข้ากับชีวิตประจำวันได้จริงๆนะการเดินอย่างกลมนี่ก็เป็นสิ่งที่มีอานิสงส์มากนะเพราะว่าพระพุทธเจ้าก็บอกว่ามีอานิสงส์ว่าทาให้ประการแรกก็คือทําให้มีความอดทนในการปฏิบัติธรรมนะเป็นผู้อดทนในการเดินทางไกลนะ ทำให้ร่างกายอมีสุภาพแข็งแรงนะเมื่อรับประทานอาหารเสร็เดินยงกรมก็ทําใหอ้อาหารย่อยได้ดีนะแล้วก็สมาธิที่เกิดจากการเดินจงกรมก็ตั้งมั่นอยู่ได้นานนะเป็นห้าประการนี้นะคราวนี้ใครเดินจงกรมบ่อยๆก็จะสังเกตได้หลายๆอย่างเพราะว่าในขณะเดินจงกรมนี้ก็จิตก็จะฟุ้งซ่านอยู่บ่อยๆนะเพราะว่ามันไม่มีตัวไหนที่เป็นหลักในการที่ว่าเขาจะอ่า เป็นให้ให้จิตเนี่ยมีความนิ่งจริง ๆ, ๆนะเพราะเราก็อาศัยการเคลื่อนไหวต่างๆเราก็จะเห็นสิ่งต่างๆที่ปรากฏขึ้นเห็นเห็นกายที่เขาเดินอยู่นะเราก็สังเกตกายที่เขาเดินเราก็ไม่ได้เป็นผู้ดูแต่เราก็อ่าคือเราเป็นผู้รู้นะรู้ในการเดินไปเรื่อยๆแล้วก็จะสังเกตว่ากายเดินอยู่ส่วนหนึ่งนะเสร็จแล้วก็มีความคิดแว๊บขึ้นมาอีส่วนหนึ่งล้วก็เป็นผู้ดูไปนะก็เราเห็นก็กายเดินไปใจก็นึกคิดไป แล้วก็สังเกตในตรงนี้ว่าเออมันจริงๆริงมันก็คือกายก็เดินอยู่ส่วนหนึ่งใจก็คิดอยู่ส่วนหนึ่งนะมันก็เห็นแยกๆ ก, กันไปเพราะนั้นการเดินยงกลมมันก็อาจจะสามารถเห็นเห็นรูปเห็นนามในตรงนี้ได้แต่เราก็ใหม่ๆก็อยากต้องไปตั้งตรงนี้นะอย่าเพิ่งไปตั้งไปในในเรื่องรูปเรื่องนามให้เราอยู่กับกายไปก่อนนะแต่ว่าการเดินยงกลมก็สามารถเห็นได้อย่างที่ว่านั่นแหละเห็นกายเดินไปเห็นใจนึกคิดต่างๆเหล่านี้แล้วเราก็ก็ไม่ให้ค่ากับความนึกคิด นะก็กลับมารู้การโดยยงกรมใหมนะ่ความนึกคิดก็ดับไปนะมันก็จะเป็นเงี้ยเดี๋ยวก็ถ้าพักก็จะคิดไปแล้วนะเราก็รู้ทันก็กลับมารู้การจึงเดินยงกรมใหม่เนี่ยก็จะทําให้เราสามารถสังเกตอความคิดต่างๆได้ได้ไวขึ้นนะแต่เราก็ใส่ความที่เราเดินยงกรมเป็นหลักจะไปตั้งใจดูความนึกคิดเดี๋ยวก็จะไปเพงอีกนะ้ะ แล้วพอเราหลังจากเดินงกรมไปแล้วนะเราก็กลับมานั่งสร้างอย่าวะใหม่ก็ทำให้ต่อเนื่องกันไปอย่างนี้เรื่อยๆเพราะว่าเหมือนกับเราการที่เราจะทำสีไม้เกิดไฟก็ต้องสีไปเรื่อยๆนะเราก็ถ้าสีเลาหยุดสีเราหยุดมันก็ไม่เกิดไฟก็ใส่การสีไปเรื่อยๆก็จะเกิดไฟขึ้นมาได้เองนะแต่เราอย่าเพิ่งไปหวังว่าการมาทำ สี่สิบวันหรืออะไรก็แล้วแต่หรือแม้แต่ห้าวันหกวันเจ็ดวันจะต้องได้อะไรนะนั้นถ้าเราไปตั้งความหวังไว้แล้วเราก็ถ้าเราไม่ได้เราก็จะกลายเป็นว่าเราผิดหวังเราก็จะเสียใจแต่ว่าเราไม่ได้ไ ม, ไม่หวังอะไรเราก็ทำไปเรื่อยๆนั่นแหละใช่ไหมก็เราก็จะได้ไม่มีความหวังมากเพียงแต่เรามีเจตนานในการทําเท่านั้นเองว่าเราทําไปอเป็นการบูชาครูบาอาจารย์นะเป็นการ <c oughs> เป็นบัตธรรม เพื่อให้เราได้บุญได้กุศลอันนี้เราก็จะทํำได้เรื่อยๆทุกวันนัเหมือนกับเราใส่บาตรทุกวันเราก็ไม่ได้หวังอะไรนัเราก็ใส่บาตรทุกวันหรือเราก็ทําครัวประทุกวันเราก็ไม่ได้หวังอะไรหรือเราทํากิจวัตรกวาดพื้นไปทุกวันเราก็ไม่ได้หวังอะไรใช่ไหมหรือเราช่วยล้างชามทุกวันก็ไม่ได้หวังอะไรก็เหมือนกันการไปรำเราก็ไม่ได้ไปหวังอะไรแล้วก็ทำมันก็ถ้าเราทํากิจวัตรประจำวันนี่แหละมันก็เราช่วยลงครัว หรือกวาดพื้นเพราะเราก็ไม่ได้หวังอะไรอันเนี้ยกลับจะได้ประโยชน์มากกว่านะแต่ถ้าเราไปคอยหวังว่าวันนี้ทําแล้วเป็นแบบนี้พรุ่งนี้ทำแล้วเป็นแบบนี้อีกวันทำํำแบบนี้แล้วมันก้าวหน้าไหมคือเราจะเดี๋ยวไปคอยประเมินผลคือไปคอยเช็คหรือว่าคอยอดูว่าเราไปบัติทําแล้วก้าวหน้าไหมอันนี้มันมันจะไม่ค่อยดีนะมันกลายว่าเราเมื่อตั้งใจมากเกินไปแล้วเนี่ยมันสิ่งต่างมันก็ไม่เปแต่ตามความเป็นจริงนะเพราะเราไปบัติไปสักระยะหนึ่งทําทในมัน มันตกลงนะเมื่อสักสามสี่วันยังดีอยู่เลยยังรู้สึกตัวชัดเจนยังมีสติดีนะพอมาวันนี้มันบางทีมันหายไปไหนหมดมันคิดทั้งวันไม่ค่อยรู้สึกตัวนะเราก็อคอยประเมินผลทีนี้ก็กลายเป็นไปคอยเช็คอคอยตรวจสอบอันนี้มันใจจะทําให้ใจเป็นกังวลแล้วเราคิดว่าเราไม่ได้ผลแล้วก็บางทีก็เลยเริ่มเพ่งก็มีนะอะ่เริ่มเริ่มเพ่งเริ่มอให้ประคองตัวรู้ให้ต่อเนื่องกัน อันนี้อันนี้ก็จะไม่ไม่ไม่ไม่ไมค่อยถูกต้องนะเพราะกลายว่าเราเริ่มเพลงเริ่มเริ่มจ้องอีกครั้งหนึ่งแล้วนะการที่เรารู้ก็ไปคอยบังคับให้เขารู้คอยบังคับให้เขาเป็นตามเราต้องการก็เราก็จะไม่ได้ความความรู้สึกตัวที่แท้จริงแต่กลายว่าเราไปตั้งใจไปกําหนดจดจ้องเขานะในตรงนี้มันก็มันจะกลายเป็นความเครียดตามมาแล้วก็กลายเป็นความที่เรกว่าเร า, เราไม่ได้ตามเราต้องการเราก็ กลายเป็นความหวังซึ่งกลายเป็นความผิดหวังเราก็จะมีความทุกข์อีกนะเพราะมันก็ไม่เที่ยงจริงๆอันนี้ก็มีพระอาจารย์ไปสังคยเล่าเอาไว้บอกว่าท่านตอนแรกท่านก็ตั้งใจไปอยู่ที่วัดอสนามในเป็นเวลาหนึ่งเดือนนะตอนท่านบูรณาใหม่ไปอยู่หลงพ่อเทียนนะในสามมิตุนายนนี้ท่านตั้งใจไปบัติธรรมเป็นอย่างยิ่งนะตั้งใจปบัติธรรมมากอนะพอมีความคิดขึ้นมาท่านก็คอยรู้ตาม ตะคุบเลยนะความคิดเกิดมาทั้งกตะคุบได้แล้วก็รู้สึกว่าอต่อมามันมีความเครียดมากขึ้นเพราะว่าความตั้งใจของท่านได้มากเกินไปแล้วก็ตึงไปหมดแล้วก็รู้สึกว่าความเครียดนี่ยก็ไม่ใช่คลายไปง่ายๆแล้วบางที่มันอยู่ตึงตัวในในตัวเองในสมองก็เป็นความตึงเครียดไปหมดเพราะความตั้งใจมากเกินไปที่ว่าอยากจะได้ผลรวดเร็ ว, รวนะต่อมาท่านรู้สึกว่ามันมันน่าจะ ไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ถูกต้องแล้วน่าจะไม่ดีแล้วแล้วก็ไม่ใช่วิธีการที่ท่านสมควรเป็นวิธีการที่เหมาะสมสําหรับท่านท่านคิดว่าท่านน่าจะไปอยู่ที่อื่นดีกว่าทางเกี่ยววิธีลงมาเทียนนี่คงยอมไม่เหมาะสําหรับท่านแล้วพอทําแล้วก็ไม่ค่อยได้ผลอะไรไมีแต่ความเครียดทั้งเลยว่าจะไปอยู่ที่สวนโมกแล้วนะแต่ว่าก็ยังไม่ครบหนึ่งเดือนเพราะว่าตั้งใจว่าจะอยู่หนึ่งเดือนก็เหลืออีกหนึ่งอาทิตย์ พอหลังนี้ก็จะอยู่ส่วนโมกเพราะฉนั้นในอาทิตย์ต่อมาท่านก็ทําแบบสบายๆเพราะท่านก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะต้องได้อะไรแล้วคือมันไม่เหมาะสําหรับท่านแล้วท่านก็คิดว่าท่านก็คงไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ต้องปฏิบัติวิธีนี้ต่อไปเลยทําเล่นๆทําสบายๆวางใจสบายๆปรากฏว่าการทำเล่นๆทาสบายๆนั้นะท่านกับได้ผลขึ้นมานะกับได้ผลขึ้นมาท่านก็เลยเข้าใจวิธีลงประเทียนเลยว่าเออจริงๆแล้วก็ต้องทําสบายๆอย่าไปอย่าไปเพ่งไปจ้องเขา แล้วก็คอยตามรู้กายตามรู้ใจไปตามความเป็นจริงไม่ได้ไปเอาจริงเอาจังมากบางทีก็ฟุ้งไปก็ไม่เป็นไรฟุ้งไปก็ก็ฟุ้งไปก็ไม่ได้ไปไปคอยตะคุบแบบสมัยก่อนบางทีฟุ้งไปนานก็ไม่เป็นไรนะฟุ้งไปนานก็ก็กลับมาได้เหมือนกันนะไม่ต้องากลับมาเร็วๆนะเรากลับมาเร็วๆมันก็กลายเป็นเราไปคอยบังคับเข้าเอกนะอันนี้เมื่อท่านทําสบายๆตรงนี้มากขึ้นปล่อยให้ใจสบายๆแล้วก็คอยดูกายรู้ดูใจไปตามความจริงท่านก็เลยเข้าใจ หลังนั้นท่านก็เลยไม่ได้ไปที่สวนโมกนะก็เลยอยู่ในสายลงวงะเทียนต่อนะอันนี้เป็นความโชคดีของพวกเรานะเพราะท่านไม่ได้ตั้งไว้จะอยู่หนึ่งเดือนนั่นท่านตอนเนี้จะไปเป็นพระอาจารย์ใหญ่อยู่ที่สวนโมกแล้วก็ได้นะเนี่ยก็เพราะว่าตอนหลังท่านก็เลยมาเข้าใจวิธีนี้ท่านก็เลยอาจจะมาพูดบ่อยๆว่าอ่าทําไปเล่นๆแต่ทําไปเรื่อยๆนะทําเล่นๆทำเรื่อยๆก็คือทําไปเรื่อยทำไป เล่นๆนั่นแหละแต่ก็ทําจริงๆนะก็คือทําต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆแต่ว่าทําไม่ได้ตั้งใจมากทำให้ให้จิตให้กายและใจเขารู้ไปตามความเป็นจริงอย่าไปคอยบังคับกดขี่เขาเพราะธรรมะที่แท้จริงก็คือให้เรารู้ไปตามความเป็นจริงที่เขาเป็นไม่ใช่ให้เขาเป็นไปตามที่เราต้องการเพราะเมื่อใดที่เราให้เขาเป็นไปตามที่เราต้องการเราก็จะไปบังคับไปกดขี่ ไปคอยประคองตัวรู้ต่างๆให้ก็เป็นไปตามที่เราต้องการนะนี่มันก็จะกลายเป็นสมรถะไปเนะพราะตรงนี้มันมันจะกลายว่าเรานะมันไม่ใช่เป็นความจริงของธรรมชาติของจิตใจนะแต่ว่าไปบังคับเขาแล้วเนี่ยจิตก็จะมีความตึงเครียดตามมานะแต่ถ้าเรารู้ไปตามความจริงก็ไม่เป็นไรก็หลงก็หลงไปหลงนานก็ยังไม่เป็นไรนะหลงนานก็ก็รู้ไปว่ามันหลงนานนะก็ยังตรงนี้เป็นสิ่งที่ว่านะได้ประโยชน์มากกว่านะ มือนก็เคยมีคนถามว่าอ่าเขาก็รู้สึกว่าเขาก็เจริญสติมาแล้วแต่ทําไมเวลาอเหมือนเมือนเขพูดเสียงอ่าเพื่อนเขาพูดเสียงดังก็ไปพูดเสียงดังกับเขาอพูดเสียงดังไปพูดเสีย ง, งก็กลายเป็นโต้เถียงแล้วก็โกรธไปเลยโกรธไปสักพักหนึ่งแล้วก็ค่อยกลับมารู้ใหม่อก็ถามว่าตัวนี้มันมันขาดสติอลไรใช่ไหมก็บอกว่าตรงที่เราเสียงดังเพราะนั้นแหะ ตรงที่เริ่มเสียงดังเนี่ยมันขาดสติแล้วนะมันเริ่มมีโทสะแต่เราก็ไม่รู้แต่หลังจากนั้นสักพักหนึ่งเราก็รู้แล้วเออเมื่อกี้มันโกรธไปอันนี้ก็เป็นสติแล้วนะไม่ไม่เป็นสติก็คือเรารู้ว่าเมื่อกี้เราโกรธไปนะเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรมันก็โกรธไปก็โกรธไปแต่ก็เราก็กลับมารู้ใหม่ว่าเมื่อกี้มันโกรธไปก็ใช้ได้นะเพราะมันหลงไปก็ไม่เป็นไรมันไม่ใช่ว่าหลงทันทีแล้วต้องรู้ทันทีมันถ้าไม่เป็นธรรมชาติจริงๆก็จะต้องไปคอยจ้องคอยเพ่งแต่เขาหลงไประยะหนึงแลล้้ววกก็ับมารู่าเอมมื่ก้ันหลงแล้วก็ยังใช้้ได นะพลังจาตที่เขาหลงยาวเนี่ยเขาก็จะค่อยๆหล ง, ลงสั้นลงเหมือนกับที่สมัยอาตมาไปบัดใหม่ๆวิธีหลวงพเทียนก็คอยเพง่งคอยจ้องเหมือนกันคอยตะคุบความคิดเหมือนกันมันรู้สึกว่ามันก็เครียดมันก็หนักนะเราก็ไปค่อยตะคุบ ม, มันนั่นแหละแต่ว่าตอนหลังเข้าใจก็ไม่เป็นไรครูบาอาจารย์เคยทำสบายๆก็ทําไปใหม่ๆมันก็หลงนานหลงนานก็ไม่เป็นไรหลงนานก็ไม่เป็นไรแต่เราก็คอยตามรู้ไปเรื่อยๆหลงนานก็ไม่เป็นไรก็ต่อตามลุไปเรื่อย ตอนหลัมันก็เลยหลงสั้นลงมันก็ค่อยๆสั้นลงไปเองนะมันก็มันก็ไม่ยาวแบบสมัยก่อนนะมันก็เป็นธรรมชาติมากขึ้นโดยเราไม่ต้องไปคอยตะคุบแบบสมัยก่อนนะมันก็กลายว่ามันก็อาทําแล้วมันก็สบายสบายมากขึ้นนะแต่ใหม่ๆเราก็ยังพึ่งไปยุ่งกับความคิดแล้วก็คอยดูกายไปเรื่อยๆนะตามดู้กายในบทประจําวันไปนะเพราะการเก็บประลมก็คืออย่าไปไปพูดคุยกันอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากเพราะการพูดคุยกันเหมือนกับว่าเรา เราเรามีถังนะมีถังใส่ข้อสารไว้เนี่ยอ่เราก็ใส่ไปเรื่อยๆสักวันมันก็เต็มนะแต่มันก็มีรูรั่วอยู่นะรูรั่วนี่ก็คือการพูดคุยนั่นแหละอพูดคุยน้อยก็รั่วน้อยพูดคุยมากก็รั่วมากอ่มันบางทีพูดคุยเยอะๆนี่ก็รั่วหายหมดเลยนะเพราะนั้นก็การพูดคุยนี่ก็สําคัญอย่าพยายามพูดคุยกันนะเราก็อยู่กับตัวเราเองนี่แหละซึ่งการปฏิบัติเข้มนี่จริงๆก็ไม่ให้พูดคุยกันอยู่แล้วเพียงแต่บางคนก็ไม่เข้าใจเช่นนี้ก็ ทําไปแล้วบางทีรู้สึกเบื่อรู้สึกเหงารู้สึกเครียดก็อยากจะผ่อนคลายบ้างก็ไปหาหาคนคุยนะบางทีคนนึ่งก็ยังไปบัดทําอยู่แต่แล้วก็ไม่รู้ว่าเขาไปบัดนอกรูปแบบก็มีนะบางทีเขานั่งเฉยๆก็จะไปบัดนอกรูปแบบก็ได้เราก็นึกว่าเขาพักผ่ก็ไปช่วยนเขาคุยนันี่ก็เป็นการทําให้เขาเสียประโยชน์ไปด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็สี่หรือวันนี้ก็อย่าพูดคุยกันนะจริงๆแล้วไม่ต้องพูดคุยอะไรเลย โดยที่มันก็จําเป็นไม่จําเป็นก็ไม่ต้องพูดคุยทั้งนั้นนั่นแหละแล้วก็สังเกตเอออยากอยากพูดก็รู้ว่ามันอยากพูดก็ใช้ได้แล้วก็ให้รู้ไปตามความเป็นจริงว่าขณะนี้มีอะไรเกิดขึ้นหรืออยากกระถามก็ให้รู้ว่าอยากกระถามก็ใช้ได้แล้วไม่จําเป็นก็ไม่ต้องถามนอกจากว่าสงสัยจริงๆมันก็จะไหลไปตามกิเลสทั้งนั้นก็คือให้ให้รู้ไปว่าขณะนี้มัมีอะไรเกิดขึ้นมาในใจเราแล้วเราก็จําเป็นต้องทําตามเขาไหม นะหรือบางทีอะไรทั้งหลายเราเรานี่แนหะอาหารการกินนะเราก็ได้มาพอสมควรนะก็รับไปตามนั้นนะไม่ต้องไปดิ้นโลนโอ้อันนี้ไม่อิ่มแล้วต้องอย่างรู้อย่างนี้นะต้องไปซื้ออะไรเป็นไปตามกิเลสทั้งนั้นเนาะเราก็ต้องระวังนะอย่าไปตามใจมากนะเพราะในสมัยลุเามเทินการเก็บรมจริงๆนั้นท่านก็ให้อยู่แต่ในกุติเท่านั้นเองนะอยู่ในกุติเหลือแม้วันที่เดินจงกรมก็ต้องเดินในกุติซะด้วย ไม่ให้ออกจากกุฏิก็ยังมีนะหรือก็ออกมาในกุฏิก็บริเวณรอบๆกุฏิแค่นั้นจะไม่ไเดินไกลหลังนั้นก็จะมีผู้ไปส่งอาหารไปไปส่งปรนโตให้เท่านั้นเองนะคือไม่ต้องไปไหนเลยมันก็มันก็โดนจํากัดบริเวณ น, นะสมัยก่อนนะเป็นแบบ น, นั้นเลยนะไม่ให้เดินไปเดินมาไกลๆอะไรอย่างเงี้ยก็เก็บรมก็คืออยู่ในที่จํากัดด้วยนะแต่บางทีอย่างสมัยพวกเราเนี่ยบางทีก็สบายมากเกินไปนะก็คือเก็บรมมันก็เดินไปไกล อะไรเราเนี้ยมันก็บางทีสังเกตไหมว่ามันไหลไปตามกิเลสเรารู้ทันไหมอ ย, ไยอยากจะไปเดินไกลๆนั่นอยากอะเราก็รู้ทันไหมตรงเนี้ยถ้าเรารู้ทันก็กลับมาอยู่ว่าเรารู้ว่าตอนนี้อยากจะทำอะไรอยากไปเดินไกลๆนั่นหรืออยากจะไปคุยกับใครหรืออยากไปหาอะไรนั่นก็ต้องรู้ทันก็คือไม่ไปตามกิเลสในตรงนั้นนะมันก็ต้องให้รู้ในใ น, ในความจริงแต่ละขณ ะ, ะเช่นครูบาอาจารย์หลวงพ่อคำเขียนบอกว่า เวลานั่งนั่งอยู่อยากจะไปเดินจงกรมนี่ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็ลุกไปเดินจงกรมนะแต่ก็ให้รู้ว่าเราเนี่ยอยากจะไปเดินจงกรมแล้วนะก็ต้องหาเหตุหาผลอพอสมควรว่ามันจำเป็นต้องไปเดินจงกรมในขณะนี้ไหมไม่ใช่เรานั่งแค่5นาทีสินาทีกอ็อยากไปเดินจงกรมเพราะมันมันเบื่ อ, อมันมันเมื่อยมันมันมันอยากจะเปลี่ยนอะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็กลายเป็นทําตามกิเลสไปนะก็คือให้ให้รู้ในแต่ละขณะว่า มันจําเป็นต้องทํำไหมแต่เรานั่งไปสักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึ่งก็ไม่เป็นไรนี่ก็เป็นน่าจะเป็นเหตุให้เดินจงกรมได้อยูนะ่ก็คือไม่ทำอะไรเพื่อตามใจกิเลสนะหรือเดินเดินอยู่สักพักหนึ่ง5นาทีสินาทีก็อยากจะมานั่งแล้วนะก็สังเกตมันทําตามกิเลสเราไหมนึกจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยก็จะกลายเป็นตามกิเลสเราไปก็คือเราต้องรู้ทันกิเลสในใจด้วยที่มันจะเรียกร้องอยู่ตลอดเวลานะโดยเพราะการปฏิบัติทำเข้มนี่มันจะเรียกร้องเยอะกว่าปกติ เพราะว่าเราจะไม่ได้ทำตามใจที่เราต้องการบ่อยๆมันเหมือนกับเราเราก็อยู่ในที่ที่จํากัดมันก็เสร็จแล้วเนี่ยมันมีกิเลสเรียกร้องเยอะๆเลยนะตรงนี้มันมันร้อนนะมันน่าจะเปลี่ยนที่ใหม่ตรงนี้มันเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีมดเยอะนะตรงนี้มันก็ไม่สะดวกต่างๆมันก็จะเรียกร้องเราหลายๆอย่างนะก็ต้องสังเกตให้ทันนะมันจะมีอารมณ์ ต่างๆพวกนี้ขึ้นมาให้เราเห็นบ่อยๆนะเพราะเราก็ไม่ได้ทําตามกิเลสอนะไที่เขต้องการนะมันมันเป็นการเรืเร่องเราต้องฟื้นกิเลสจริงๆที่ว่าตรงนี้ต้องอทําทําได้ไหมใช่ไหมถ้าเราทําไม่ได้ใจมันจะเรียกร้องเยอะเลยบอกออีกสักห้าวันพอแล้วออกดีกว่าอะไรทํานองนี้มันเที่เราตั้งสี่หรือวันนะมันทนไม่ไหวมันก็มันก็เรียกร้องกันไปนะบอกว่าเออตรงนี้นะพอแล้วนะพอแล้วอะไรองเงี้ยใช่ไหม มันก็จะคล้ายๆว่าเราก็รู้ไม่ทันแล้วก็พอแล้วจริงๆนะมันก็เป็นสิ่งที่ว่าเราอ่ามันมันต้องมีความอดทนนะเพราะการประวัติวิธีนี้มันต้องมีความอดทนมากเพราะว่ามันต้องต่อนเนื่องกรรันสี่สิบวันเป็นระยะเวลานานพอสมควรถ้าเราไม่อดทนมันก็รู้สึกว่าเราก็ทําไม่ไม่ไหวนะนะมันมันจะเป็นการที่เราอ่าคล้ายๆว่าการปฏิบัติรรมมันอย่างนึงคือการฝึกตัวฝึกตนนะเมื่อฝึกตัวฝึกตนมันก็ต้องมีความลําบากอ่าลำบากให้ให้ประสบให้เจอนะ แต่เราทนความลำบากไม่ได้มันก็ไม่ได้เป็นการฝึกตัวฝึกตนมันเหมือนกับพระสมัยก่อนนี่ออกพรรษาถ้าเกิดเดินทุดงค์ก็เป็นแถวส่วนมากเดินทุดงกันถึงประมาณ 80% บางทีเหลือพระเฝ้ า, าวัดแค่องค์สององค์เท่านั้นเองใ น, ในยุคก่อนนะในยุคสายวัดป่านี่แหละจะธุดงกันเพราะว่าท่านก็ต้องการที่จะฝึกความอดทนฝึกความเพียรในการที่เราว่าเราไปอยู่ตามป่าตามเขาไม่มีอาหารการกินที่ดมสมบูรณ์ไม่ได้สะดวกสบาย อนะต่างๆเนี่ยเราจะอยู่ได้ไหมนะในตรงนี้แต่ถ้ า, าอยู่วัดเป็นประจามันมีอาหารอุดมสมบูรณ์ไม่ได้ลําบากนะกันแดดกันร้อนกันคนกันอะมันก็ไกลว่าเราติดความสุขไปเมื่อติดความสุขมันก็เลยไม่เร่งความเพียรที่จะหาทางความพ้นทุกข์นะพราะใจไม่ได้สัมผัสความทุกข์อนยะ่างแท้จริงเพราะการที่เราไปเก็บสิริวันนี่มันก็คือเราไปประสบความทุกข์เหมือนกันนะเพราะเราก็ไม่ได้ทําตามใจที่เราต้องการนะก็คือไปกลับมารู้จัก ความทุกข์นี่แหละว่าความทุกข์มันเป็นอย่างไรนะเมื่อมีความทุกข์ให้เราเห็นชัดเจนใจก็จะได้หาทางพ้นทุกข์ได้ว่าเราปฏิบัติธรรมนี้ก็เพื่อให้เราพ้นทุกข์ก็แล้วกันนะให้มันทุกข์ให้พอในชาตินี้ชาติหน้าจะได้ไม่ทุกข์อีกนะีตรงนี้เราก็ต้องมีความอดทนในในความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะอันนี้ก็เป็นการฝึกกายฝึกใจแล้วก็ฝึกฝึกให้ถูกต้องตามวิธีของหลวงพเทียนในะในการที่เราจะไม่เพ่งไม่จ้องในการที่เราจะลุยเฉย ในการที่เราจะไม่ห้ามความคิดในการที่เราจะปติทําให้ต่อเนื่องไปลูกโซ่ในการที่เราจะไม่อยู่นิง่งและในการที่เราจะไม่อยากที่จะได้อยากจะรู้อยากจะเห็นอยากจะเป็นอยากจะมีนะถ้าเราทําในตามนี้เราก็จ ะ, ะสามารถที่จะเข้าใจวิธีหลวงพ่เทียนได้ถูกต้องแล้วก็สามารถที่จะปฏิธรรมได้ได้ผลดีตามเราต้องการเนาะเพราะฉะนั้นในท้ายสุดนี้ก็ขอรัชนาบารมีคุณพระเจ้าตรน้อมนาทุกท่านจเจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความพ้นทุกได้โดยเร็วพันทุกท่านเทอญ